ในคำสอนของพระพุทธศาสนาสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเรื่องจักรวาลโลกตามที่ปรากฏในคำพีของพระพุทธศาสนาเห็นได้ชัดว่าไม่ใช่พุทธศาสตร์แต่เป็นภูมิศาส์เก่าจะเป็นเพราะมีผู้เชื่อถืออยู่มากจึงติดเข้ามาในคำพีทางพระพุทธศาสนาด้วย คำพีชั้นหลังยิ่งแสดงวิจิตพิสดารมากถ้าพุทธศาจะมุ่งแสดงอย่างนี้ก็กลายเป็นภูมิศาสตร์ไปและท่านผู้แสดงก็จะกลายเป็นอาจารย์ภูมิศาสต์ในยุคหนึ่งมิใช่เป็นศาสดาผู้ประกาศศาสนาที่เป็นสัจธรรมอยู่ทุกยุคทุกสมัยด้วยเหตุผลที่เป็นสามัญสำนึกเพียงเท่านี้ไม่ต้องอ้างหลักฐานธรรมในพระพุทธศาสนา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 สถานที่ไม่มีความเจริญคือไม่มีสุขมีแต่ทุกข์ทรมานคำว่านิระยะหรือนรกใช้หมายถึงสถานที่ทรมานสัตว์ทำบาปดังกล่าวเช่นเดียวกันนรกที่เป็นขุมใหญ่มีกล่าวไว้ในสังกิจจัดชาดกเป็นต้นว่ามีแปดคือ 1. สัญชีวแปลว่าคืนชีวิตขึ้นเอง คือสัตว์นรกในกลุ่มนี้ถูกตัดเป็นท่อนเล็กท่อนใหญ่แล้วก็กลับคืนชีวิตขึ้นมาเองอีกรับการทรมานอยู่ร่ำไปในคำพีร์มหายานของทิเบตแสดงว่านรกกลุ่มนี้สำหรับบาปที่ทำฆาตกรรมตนเองทำฆาตกรรมผู้อื่นหมอที่ทอดทิ้งฆ่าคนไข้ของตนผู้จัดการทรัพย์มรดกที่คดโกงและผู้ปกครองที่โหดร้ายเบียดเบียนประชาชน 2. กาละสุตตะแปลว่าเส้นดำคือสัตว์นรกในกลุ่มนี้ถูกขีดเป็นเส้นดำที่ร่างกายเหมือนอย่างตีเส้นที่ต้นซุงมเพื่อจะเลื่อยแล้วถูกผ่าด้วยขวานเป็นแปดเสียง16เสียงแต่ตามคำพีที่เบตกล่าวว่าถูกเลื่อยด้วยเลื่อยและกล่าวการลงโทษอีกอย่างหนึ่งคือการลากลิ้นออกมาตอบและไถ ด้วยถ่ายเหล็กแหลมๆเป็นจักจั่งสำหรับบาปที่พูดสอดเสียดยุโยงให้เขาแตกกันและเข้าไปยุ่งเกี่ยวขัดขวางกิจการของผู้อื่นและแสดงโดยทั่วไปว่านารกขุมนี้สำหรับบาปที่แสดงความไม่นับถือลบหลู่ดูหมินมารดาบิดาพระรัตระไตรหรือพระศาสนา 3. ส, สังคาตะแปลว่ากระทบกันคือมีภูเขาเหล็ก คราวละสองลูกจากทิศที่ตรงกันข้ามเลื่อนเข้ามากระทบกันเองบทสัตว์นรกในระหว่างแหลกละเอียดจากสี่ทิศก็เป็นภูเขาสี่ลูกเลื่อนเข้ามากระทบกันตลอดเวลาในคมพีมหายานของทิเบตกล่าวว่าภูเขามีศีสษะเป็นสัตว์หรือเป็นเหล็กใหญ่รูปอย่างหนังสือเลื่อนเข้ามาบทขยี้สัตว์เช่นเดียวกัน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 สำหรับทรมานผู้ทำโจรกรรมผู้มีสันดานร้ายกาดด้วยความโกรธริษยาโลภอยากได้ผู้ที่ใช้เครื่องช่างตวงวัดโกงและผู้ที่ทิ้งขยะมูลฝอยหรือสัตว์ตายลงในถนนขนทางสาธารณะ 4. โรรุวะแปลว่าร้องครวนคราง คือมีเปลวไฟเข้าไปทางทาวารทั้ง9ก้าเผาไหม้ในสรีระจึงร้องครวญครานเพราะเปลวไฟชาละโปรลุวะบางพวกถูกหมอกควันด่างกรดเข้าไปละลายสรีระจนละเอียดเหมือนแป้งจึงร้องครวญครานเพราะหมอกควันทูมะโปรลุวะในคัมภีร์ที่เบิกล่าวว่ากรอกน้าเหล็กแดงอันร้อนแรง ทางปากผ่านลําคอลงไปสำหรับบาป ท, ที่กั้นปิดทางน้ำเพื่อประโยชน์ของตนแช่งด่าดินฟ้าอากาศทำลายพืชพันธุ์ธัญญาหารให้เสียหาย 5. มหาโรรุวะแปลว่าร้องครวญครานมากคือเป็นที่ทุกทรมานยิ่งกว่าข้อสในคำพีทิเบตกล่าวว่าสำหรับพาเหรชนค้นบาปหนา ตาปณะแปลว่าร้อนได้แก่ถูกให้นั่งเสียบตรึงไว้ด้วยเหลาเหล็กบนแผ่นดินเหล็กแดงลุกเป็นไฟร้อนแรงบ้างก็ถูกต้อนขึ้นไปบนภูเขาเหล็กแดงเป็นไฟลุกโผลงถูกลมพัดตกลงมาถูกเสียบด้วยเหลาเหล็กที่โผล่ขึ้นมาจากแผ่นดินเหล็กแดงในคำภีร์ที่เบตกล่าวว่า ถูกขังอยู่ในห้องเหล็กแดงเป็นไฟร้อนแรงสำหรับบาปที่ปิ้งทอดหรือเสียบสัตว์ปิ้งเป็นอาหารเจ็ดปะตาปณนะแปลว่าร้อนสูงมากคือเป็นที่ทุกทรมานยิ่งกว่าข้อ6ในคำพีที่เบตกล่าวว่าถูกทิ่มแทงด้วยหอกสามงามล้มกลิ้งลงไปบนพื้นเหล็กแดงอันร้อนแรง สำหรับบาปที่ละทิ้งพระศาสนาคือเลิกนับถือหรือปฏิเสธความจริง 8. อเวจิแปลว่าไม่มีระหว่างคือไม่เว้นว่างบางทีเรียกมหาอเวจิแปลว่าอาเวจีใหญ่ภาษาไทยมักเรียกว่าอาเวจีเปลวไฟนรกในนรกขุมนี้ ลุกโพรงเต็มทั่วไปหมดไม่มีระหว่างหรือเว้นว่างสัตว์นรกในกลุ่มนี้ก็แน่นขนาดเหมือนยัตทานานไม่มีระหว่างหรือเว้นว่างแต่ก็ไม่เบียดเสียดกันอย่างวัตถุต่างถูกไฟไหม้อยู่ในที่เฉพาะตนเฉพาะตนและความทุกข์ทรมานของสัตว์นรกในกลุ่มนี้ก็เบ่งเกิดขึ้นสืบเนื่องกันไปไม่มีระหว่างหรือเว้นว่างฉะนั้นจึงเรียกว่าอวีจิ หรืออเวจี G, ซึ่งมีคำแปลดังกล่าวในคำพีทางทิเบตกล่าวว่าสำหรับบาปที่ถือว่าเป็นอุกรฤตโทษตามลัทธิลามะแต่ฝ่ายเทรวาแสดงว่าสำหรับบาปที่เป็นอนันตริยกรรมนรกใหญ่ทั้งแปดกลุ่มนี้ในสังกิจจชาดกเป็นต้นเรียงอเวจี igi, ไว้หน้าตาปณะแต่ในที่อื่นเช่น ในไตรภูมิพ ร, ร่วงแสดงอเวจิไว้เป็นที่สุดและกล่าวว่าอยู่ซ้อนไปตามลําดับสันชีวะอยู่เบื้องบนที่สุดและอยู่ใต้กันลงไปจนถึงอเวจีอยู่ใต้ที่สุดเครื่องทรมานในนรกใหญ่ทั้ง8ดขุมดังกล่าวมีเหล็กเช่นพื้นแผ่นดินเหล็กและเครื่องอาวุธเหล็กต่างๆมีไฟคือเหล็กนั่นแหละ ลุกเป็นไฟร้อนแรงมีภูเขาเหล็กที่กลิ้งมาบดและมีหมอกควันชนิดเป็นกรดหรือด่างในขุมนรกที่หนึ่งและที่สองมีนายนิรยาบาลแปลว่าผู้รักษานรกไทยเราเรียกว่ายมมาบาลเป็นผู้ทาการทรมานสัตว์นรกแต่นรกขุมที่ลึกลงไปกว่านั้นในอัถกถาสังกิตจากชาดกไม่ได้กล่าวถึงนายนิรยาบาล กล่าวถึงไฟเหล็กเช่นเครื่องอาวุธต่างๆเป็นต้นวังเกิดขึ้นทรมานสัตว์นรกเองนรกน้อยอันหนึ่งมีแสดงไว้ว่านรกใหญ่ทั้ง8ดขุมมีนรกเล็กเป็นบริวารทั้งสี่ด้านด้านละสี่ขุมรวม16ขุมรวมนรกบริวารของนรกใหญ่ทั้ง8ดขุมได้128ขุม รวมนรกใหญ่อีก8ดขุมเป็น136ขุมนรกบริวารในไตรภูมิพระร่วงเรียกว่าฝูงนรกบ่าวในเนมิราชชาดกกล่าวว่าพระมาตลีเทพสารถีนำพระเจ้าเนมิราชพระราชาครองนครมิทิลาในแคว้นวิเทหรัต ไปเที่ยวดูนรกบริวารสิหขุมซึ่งอยู่ล้อมรอบสัญชีวะนรกอันเป็นนรกใหญ่ขุมที่หนึ่งมีชื่อดังต่อไปนี้ 1. เวตารณีนรกแปลว่านรกแม่น้ำเวตารณีแปลว่าข้ามยากคือเป็นแม่น้ำด่าที่ร้อนเดือดพล่านเรียกว่าเวตารณีบัว และสิ่งต่างๆในแม่น้ำนั้นเป็นอาวุธทั้งสิ้นนายนิรยาบาลตกเบ็ดจัดนรกอีกด้วยสำหรับบาปที่ประกอบกรรมหยาบช้าเบียดเบียนผู้ที่อ่อนกำลังกว่า 2. ส, สุนัขขนรกแปลว่านรกสุนัขคือมีฝูงสุนัขขาวแดงดำเหลืองและฝูงแรงกากลุ่มรุมกัดตีจิกทรมาน สำหรับบาปที่กล่าวคำร้ายด่าว่าสมณพราหมณ์และท่านผู้มีคุณ 3. สันโชตินรกแปลว่านรกไฟโพรงคือสัตว์นรกในกลุ่มนี้มีสรีระลุกเป็นไฟโพรงแผดเผาทั้งถูกทรมานต่างๆสำหรับบาปที่ประกอบกรรมหยาบช้าเบียดเบียนบุรุษสตรีที่เป็นคนดีมีศีลธรรม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 แล้วโกงนี่นั้น 5. โลหะกุ่มพีนรกแปลว่านรกหม้อโลหะไทยเราเรียกว่านรกหม้อทองแดงเป็นที่ตกลงไปไม่ทรมานสำหรับบาปที่ทุบตีเบียดเบียนสมณพราหมณ์ผู้มีศีล 6. คีวะลุนจะนนรกแปลว่านรกที่ดึงคอให้หลุดคือ ถูกเอาเชือกพันคอดึงจุ่มลงไปในน้ำร้อนในหม้อทองแดงให้คอหลุดทรมานสำหรับบาป ท, ที่ประกอบกรรมหยาบช้าเบียดเบียนทำลายหมู่เนื้อนกนรกขุมนี้ในไตรภูมิพระร่วงเรียกโลหะกุมพีนรกเหมือนกันเจ็ดทุสะปาราสะนรกแปลว่านรกข้าวรีบและแกล คือสัตว์นรกขุมนี้ลงไปวักน้าในแม่น้ำนรกดื่มด้วยความกระหายน้ำที่ดื่มเข้าไปนั้นก็กลายเป็นข้าวรีบและแกลบไฟไม่ร่างกายทั้งหมดเป็นการทรมานสำหรับบาปที่เอาข้าวรีบแกลหรือฟางปนข้าวเปลือกลวงขายว่าข้าวดีเอาข้าวสารไม่ดีปนข้าวดีลวงขายว่าข้าวดี ก็น่าจะอยู่ในนรกขุมนี้แปดส ต, ติหะัตะสยะนรกแปลว่านรกที่แทงด้วยหอกจนลม้มลงคือสัตว์นรกในขุมนี้ถูกแทงด้วยอาวุธต่างๆจนตัวพรุนอยากใบไม้เก่าสำหรับบาป ท, ที่ประกอบกรรมมิชอบเลี้ยงชีวิตด้วยอธินาทานต่างๆมีปล้นสะดมขโมย ช่อโกงทุจริตเบียดบังเป็นต้น 9. วิละกะตะนรกแปลว่านรกแร่เนื้อคือแร่เนื้อสัตว์นรกออกเป็นชิ้นชิ้นสำหรับบาปที่ประกอบกรรมหยาบช้าฆ่าสัตว์ตัดชีวิต 10. ปุราณมิละหะนรกแปลว่านรกมูดคูดหรือนรกอาจมเก่าคือสัตว์นรกในกลุ่มนี้ กินอาจมเก่าที่เหม็นหนักหนาและลุกเป็นควันหรือเป็นไฟร้อนแรงสำหรับบาปที่ประทุษร้ายเบียดเบียนมิสหายหรืออาศัยกินข้าวเขาแล้วยังขู่เอาทรัพย์ของเขาหรือเจ้าหน้าที่ที่ผู้ขุดรีบ 11. โลหิตะปุพพนรกแปลว่านรกเลือดน้ำหนองคือ สัตว์นรกในกลุ่มนี้อยู่ในแม่น้ำแห่งเลือดและหนองหิวกระหายกินน้ำเลือดน้ำหนองซึ่งร้อนเป็นไฟเข้าไปลวกไหม้ทรมานสำหรับบาปที่ทำร้ายบิดามารดาและท่านที่มีคุณควรกราบไหว้บูชาทั้งหลายสิบสองอะบริสะนรกแปลว่านรกเบ็ดเหล็ก หรือเรียกว่าโลหะบลิสนรกคือสัตว์นรกในกลุ่มนี้ถูกเบ็ดเหล็กร้อนแดงเกี่ยวลิ้นลากออกมาให้ล้มไปทรมานบนพื้นเหล็กแดงแรงร้อนสำหรับบาป ท, ที่กดราคาของซื้อโก่งราคาของขายเกินควรและใช้วิธีช่างตวงวัดคดโกงด้วยโลภะเจตนาสิบสาม อุดทางปาทะนรกแปลว่านรกที่จับเท้ายกขึ้นเบื้องบนทิ้งลงไปให้จมฝังลงไปแค่สะเอลแล้วยังมีภูเขากลิ้งจากทิศ ท, ทั้งสี่มาบททรมานเป็นนรกสำหรับสตรีที่นอกใจสามีเป็นชู้ด้วยชายอื่นคือนรกแยกเพศเฉพาะหญิงสิบสี่อะวังเซระ นรกแปลว่านรกที่จับศีรษะห้อยลงเบื้องต่ำทิ้งลงไปให้ไหม้ทรมานเช่นเดียวกันเป็นนรกสำหรับบุรุษที่เป็นชู้ด้วยภรรยาของคนอื่นคือนรกแยกเพศเฉพาะชาย 15. โลหะสิมบลีนรกแปลว่านรกต้นงิ้วคือสัตว์นรกในกลุ่มนี้ ต้องปีนต้นงิ้วเหล็กมีหนามเหล็กแหลมแดงเป็นเปลวไฟร้อนแรงสำหรับบาปผิดศีลข้อ3ทั้งชายและหญิงคือนรกสหเพศหรือสหนรก 16. ปัจจนะนรกแปลว่านรกหมกไหมหรือเรียกว่ามิจฉาทิฏฐินรกคือสัตว์นรกในกลุ่มนี้ต้องถูกหมกไหมและทิ่มแทงทรมาน สำหรับบาปที่เป็นมิจฉาทิฏฐิคือเห็นผิดว่าผลทานผลศีลไม่มีผลกรรมดีกรรมชั่วไม่มีคุณมารดาบิดาไม่มีคุณสมณพรามไม่มีเป็นต้นนรก16ขุมนี้มีในไตรภูมิพระร่วงส่วนในเนมิราชะชาดกมีเพียงส5บห้าขุมเว้นนรกสหเพศคือขุมที่สิบห้า ขาดไปก็ดูไม่เป็นไรเพราะมีนรกแยกเพศอยู่แล้วจึงยังมีที่สำหรับผู้ผิดศีลข้อสามไปได้อยู่เป็นแต่ต้องแยกกันอยู่คนละแห่งนรกทั้ง16คขุมนี้ท่านว่ายัดเยียดเบียดเสียดเต็มไปด้วยสัตว์นรกจึงเรียกว่าอุศดะนรกแปลว่านรกยัดเยียดเบียดเสียดเป็นนรกบริวาร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 ในที่อื่นจากที่อ้างและนำมากล่าวแล้วได้มีการแสดงถึงวิธีนำตัวคนทำไปสู่การพิจารณาของยมบาลพยายมแล้วถูกนำตัวไปสู่นรกพนนนานานรกเพี้ยนกันไปเช่นในเทวทูตสูตรเล่าไว้โดยความว่าสัตว์ผู้ประกอบด้วยทุจริตทางกายวาจาและใจติเตียนด่าว่าคนดีประเสริฐ เป็นมิจฉาทิฐิยึดถือกรรมของคนมิจฉาทิฐิครั้นกายแตกสลายตายลงนายนริยาบาลจับไปสแสดงแก่ยมราชขอให้ลงโทษยมราชสักถามว่าเคยเห็นเทวทูตห้าคือเด็กแรกคลอดคนแก่คนเจ็บคนถูกราชทันคนตายบ้างหรือไม่เมื่อผู้นั้นตอบว่าเคยเห็นก็สักต่อไปว่า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 มัวประมาทไปเสียย ม, มาราชจึงกล่าวว่าเจ้ามีความประมาทจึงไม่ทํากรรมงามทางกายวาจาใจก็จักทำเจ้าให้สะสมกับที่ประมาทไปแล้วบาปกรรมนั้นมารดาบิดาเป็นต้นไม่ได้ทําให้เจ้าทําเองก็จักเสวยวิบากของกรรมนั้นเองเมื่อย ม, มาราชว่าดังนี้แล้วก็นิ่งอยู่นายในรยาบาลทั้งหลาย ทำกรรมกรมีพันธนะคือการผูกตรึงหรือจองจำห้าอย่างได้แก่ตรึงดุดเหล็กอันร้อนที่มือสองข้างที่เท้าสองข้างและที่กลางอกเขาเสวยเวทนาผิดร้อนแต่ไม่ทำกาลกิริยาจนกว่าบาปกรรมนั้นจะสิ้นไปต่อจากนี้แสดงวิธีทรมานที่ยิ่งขึ้นไปคือหนึ่ง นายในรยาบานถากด้วยผึง่งสองจับตัวให้หัวห้อยเท้าชี้ฟ้าถากด้วยพลาสามเอาตัวเทียมรถให้วิ่งไปวิ่งมาบนพื้นอันร้อนโชนสี่ให้ขึ้นภูเขาถาดเพลิงอันร้อนโชนห้าจับตัวเอาหัวห้อยเท้าชี้ฟ้าทิ้งลงในโลหะกุมพีคือม้อเหล็กอันร้อนโชน ถูกเคี่ยวอยู่ในนั้นผุดเป็นฟองผุดขึ้นข้างบนบ้างจมลงข้างล่างบ้างรีรีขวางขวางบ้างแต่ก็ไม่ตายต่อจากนี้แสดงถึงมหานิรยะว่านายนิรยาบาลใส่ลงไปในมหานิรยะคือนรกใหญ่พระอาจารย์อธิบายว่าได้แก่อเวจีนรกซึ่งเป็นนรกใหญ่ขุมที่8ที่กล่าวแล้ว นรกใหญ่นั้นมีสันฐานเป็นสี่เหลี่ยมมีสี่ประตูคือด้านละหนึ่งประตูภายในจัดเป็นส่วนเป็นส่วนมีกำแพงเหล็กล้อมครอบข้างบนด้วยเหล็กพื้นเป็นเหล็กร้อนโชนเป็นเปลวไฟแผ่ไปหนึ่งร้ยยโดยรอบเปลวไฟเกิดจากฝาทั้งสี่ทิศพุ่งไปกระทบฝาด้านตรงกันข้ามสัตว์นรกถูกเผาไหม้ดังนั้น ก็ไม่ตายบางคราวเห็นประตูด้านใดด้านหนึ่งเปิดวิ่งไปเพื่อจะหนีผิวหนังเนื้อเอ็นไม้กระดูกร้อนเป็นควันไปยังไม่ทันถึงประตูปิดเสียเทวทูตพระอาจารย์ผู้อธิบายมค ะ, ะเทวสุได้กล่าวอธิบายคำไว้ว่าเทวทูตแปลว่าทูตของเทวะอะไรคือเทวะ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 และราชธรรมชื่อว่าเป็นเทวะทั้งนั้นและเพราะเป็นเครื่องเตือนใจเหมือนอย่างทูตมาบอกข่าวจึงเรียกว่าเทวทูตอีกอย่างหนึ่งเทวทูตแปลว่าทูตเหมือนเทพ ย, ายดาคล้ายคําว่าทูตสวรรค์คือเหมือนเทวดามาบอกเตือนให้ไม่ประมาทอีกอย่างหนึ่งเทวทูตแปลว่าทูตของวิสุทธิเทพหมายถึงพระอรหันต มีพระพุทธเจ้าเป็นต้นพระได้สอนให้พิจารณาเนือง เ, นองเพื่อความไม่ประมาทฉะนั้นเมื่อเห็นเทวทูตก็ยอมจะไม่ประมาทและเว้นทุจริตต่างๆได้ส่วนคนที่ประพฤติ ท, ทุจริตต่างๆนั้นก็เพราะไม่เห็นเทวทูตมาตักเตือนใจจึงเป็นผู้ประมาทมัวเมาต่างๆแม้จะได้เห็นได้พบคนเกิดแก่เจ็บ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 เพราะได้เห็นเทวทูตในบางครั้งบางคราวถ้าไม่ได้ทําบุญกุศลไว้เลยก็เป็นการจนใจช่วยไม่ได้ดูยมราชก็จะช่วยอยู่เท่ากับเป็นตัวสตินั่นเองแต่เมื่อช่วยไม่ได้ไม่ได้สติที่จะระลึกถึงคติธรรมดาและบุญกุศลบ้างเลยแล้วก็จําต้องนิ่งอยู่เหมือนอยากวางอุเบกขาปล่อยให้เป็นไปตามยถากรรม ยมราชจึงไม่ต้องสั่งลงโทษสัตว์ผู้ทำบาปต้องเป็นตามกรรมของตนเองตามหลักในพระพุทธศาสนาเทวทูตสูตรนี้จึงแฝงคติธรรมที่สุขุมอยู่มากแต่แสดงเป็นปุคลาทิฐานคือตั้งเรื่องขึ้นเป็นบุคคลมีตัวตนและแสดงนรกตามเขาคติความคิดเรื่องนรกในชาดกดังกล่าวนั่นแหละ แต่ปรับปรุงรวบรัดข้าแต่พระอาจารย์ก็ยังอธิบายให้เข้ากันกับนรกในชาดกคืออธิบายว่ามหานิ ร, ระยะที่กล่าวในเทวทูตสูตรก็คืออววจิตนิ ร, ระยะหรืออเวจีนรกอเวจีในชาดกสําหรับบาปดักแต่มหานิ ร, ระยะในพระสูตรเป็นนรกกลางสําหรับบาปทั่วไปเพราะมีได้ระบุ ป, ประเภทชนิดของบาปไว้ ทั้งในพระสูตรนี้ก็ยังเอื้อถึงกฎหมายบ้านเมืองแสดงราชทันมเป็นเทวทูตอย่างหนึ่งเพราะแม้จะไม่คํานึงถึงกติธรรมดานึกถึงกฎหมายบ้านเมืองเกรงราชทันมก็ยังช่วยให้ละเว้นทุจริตต่างๆตามกฎหมายได้เป็นเขาเงื่อนให้เห็นความสัมพันธ์แห่งชาติและศาสนาเหมาะดีอยู่และในเทวทูตสูตรนั้นไม่ได้กล่าวว่านรกอยู่ที่ไหน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 แสดงแต่ระยะการที่สัตว์นรกจะต้องเสวยทุกข์ตั้งแต่นรกที่หนึ่งจนถึงที่10ยืดยาวกว่ากันขึ้นไปโดยลำดับอย่างกำหนดการจำคุกในกฎหมายคือ 1. อับพุทธมีเกณฑ์นับดังนี้มเมล็ดงาโกศลเต็มเกวียนอันบรรทุกน้ำหนักได้20บขารีคือ สี่ปัตหะมะคตเป็นหนึ่งปัตหะโกสลสี่ปัตหะนั้นเป็นหนึ่งอาระหะกะสอาระหะกะเป็นหนึ่งโทนะสี่โทนะเป็นหนึ่งมานิกะสีมานิกะเป็นหนึ่งขารีล่วงแสนปีหยิบเอาออกเสียมเมล็ดหนึ่งมเมล็ดงานั้นจะหมดก่อนอับพุทธะหนึ่งส นิรภพุทธเท่ากับย0สบอัพุทธสามอภพพะหนึ่งเท่ากับ20สินิรบพุทธสีพพ่อหะหะหนึ่งเท่ากับยสิอภพระหอตตะหนึ่งเท 4, หห 1, ่ากับยีพพ่สิอหะหะกุมุทะหนึ่งเท่ากับยีหห่สิบ 20, ตะตาโสคันธิกะหนึ่งเท่ากับ20กุมุทะแอุปละหนึ่งเท่ากับ20โสคันธิกะ 9. อุนธริกะหนึ่งเท่ากับ20อุปละสิปรนมุทะหนึ่งเท่ากับ20อุนทริกะพระอาจารย์แสดงการคำนวณปีไว้ดังนี้ร้อยแสนเป็นโกติ ร้อยแสนโกติเป็นปโกติร้อยแสนปโกติเป็นโกติปโกติร้อยแสนโกติปโกติเป็นนหุตะร้อยแสนหุตะเป็นนินหุตะร้อยแสนนิ น, นหุตะเป็นหนึ่งอัพพุทะยีอัพพุทะเป็นหนึ่งนิรัพพุทะต่อจากนั้นก็คูณด้วย20สโดยลําดับ และท่านอธิบายว่าอัพพุทธเป็นต้นไม่ใช่เป็นนรกแผนหนึ่งแต่หมายถึงเกณฑ์คำนวณระยะการที่จะต้องไม่ทรมานอยู่ในอวีจินนระยะนั่นเองเมื่อมีระยะการยืดยาวที่จะพึงคำนวณด้วยอัพพุทธขณนาก็เรียกว่าอัพพุทธนิรพุทธเป็นต้นก็เช่นเดียวกัน อธิบายของท่านนี้ชื่อทั้งสิ้นนี้จึงเป็นชื่อสังขยาเหมือนอย่างคำว่าโกตินาหุตเป็นต้น